กราบขอโอกาสจากหุวงพ่อกลมนะครับกราบขอโอกาสจากพระจันยุจิกราบขอโอกาสจากพระจันทรงศิล์นล่นก็กราบขอโอกาสจากพระจันวัฒนชัยแล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนสาธมิกแล้วก็เจริญพรมาอย่างแมชีเนาะแล้วก็พวกเราอุบาสกอุบาสิกากันก็ พวกเราก็มาอยู่ในเรียกว่าในวัดเนะในวัดในร่มเงาของพุทธศาสนาตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าก็เป็นผลพวงเนะเป็นผลพวงของสิ่งที่พุทธเจ้าก็ได้เตรียมไว้ให้เราคนดุนหลังตรงนี้ก็สำคัญเนะว่าจริงๆแล้วคล้ายว่า ทุกวันนี้ศาสนาพุทธก็ดีวัดวาอารามก็ดีแสิ่งต่างๆนานาที่มีอยู่ที่เราเห็นกันอยู่ที่เราได้ใช้ประโยชน์กันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ว่ามีเรียกว่าอานิสงส์มาจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้จัดจัดวางจัดวางมอบให้กับพวกเราชาวพุทธรุ่นหลัง ทุกเราก็เหมือนกับคล้ายๆว่าได้รับเรียกว่าได้รับสิ่งดีๆจากที่พระเจ้าได้มอบให้ตรงนี้เราถ้าเรามองว่าโอ้พระเจ้าก็มอบมาให้ตั้ง 2,600 ปีเนอะอาะนี้ก็ถือว่ายาวนานมากก็ยังคงเป็นปึกแผ่นยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากๆ ไม่ก็ไม่ใช่ใ ช, ใช้คําว่าน่าสนใจก็ไม่ถูกนะแต่ว่าหมายถึงว่าก็เป็นที่น่าศรัทธาน่านับถืออย่างยิ่งว่าเออสองพันกว่าปีนะมันมันก็ยาวนานมากๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันข้ามก็เรียกว่าข้ามยุคข้ามสมัยมาได้ยังไงตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่านี่ก็คือคําสอนเนาะคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็คำสอนที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้เนี่ยก็สําคัญมากกว่านั้นก็คือก็อยังพระเจ้าเองก็ยังเน้นเนาะว่าสิ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติกันเพื่อให้ได้เห็นผลเนาะของของคำสอนนั่นนั่นคือตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราชาวพุทธเนาะเราก็ยังคงถ้าหากว่าเรายังคงทําตามที่พระเจ้าบอกเนี่ย สิ่งที่เรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เราพวกเราก็จะได้รับอนิสงส์ได้รับผลตรงนั้นเนาะด้วยันทุกคนไม่แบ่งแยกเพศไม่แบ่งแยกวัยขอให้พวกเราเนี่ยได้ลงมือกันก็มีโอกาสได้ไปที่ประเทศทิเบตเนาะจริงๆก็จะเรียกประเทศทิทเบตก็ไม่ค่อยถูกนะอาจจะเป็นเรื่องประเทศจีนในส่วนที่เป็นทิเบตก็ ตรงนั้นก็เป็นเรียกว่าก็เป็นเมืองที่เราเคยได้ยินนะว่าเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธที่ปกครองประเทศโดยองค์ดานไลลัมะอย่างเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจมากตรงที่ว่าเออมีประเทศที่พื้นที่ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าประเทศเราเนะอย่างเงี้ยแบบว่าโ อ, อ้ปกครองปกครองด้วยเขาเรียกว่าด้วยคติทางพุทธกัน มีองค์ดายลายลั ม, มะเป็นเขาเรียกว่าผู้ปกครองสูงสุดซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ยาวกันมาเป็นพันกว่าปีซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับณวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เคยเป็นอดีตเนื่องจากว่ากือบ หกสิบปีที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ประเทศจีนเนาะก็เข้ามาครอบครองดินแดนทิเบตเมื่อเข้ามาครอบครองดินแดนทิเบตก็การปกครองอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปอย่างที่เราเห็นกันก็คืออย่างที่เช่นองค์ดานไลลามะที่มีชื่อเสียงกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือองค์ดานไลลามะองค์ที่14เนาะที่ท่านเองท่านก็เหมือนกับกลายมามีชื่อเสียงอยู่กับ หลายหลายประเทศเนี่ยแต่ที่นั่นเนี่ยห้ามนะฮะไม่มีรูปนะฮะไม่มีรูปไม่มีรูปติดให้ดูเลยคําสอนหรือแะไรต่างๆนานานเหล่านี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีห้ามเด็ดขาดเป็นที่ผิดกฎหมายต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายตรงนี้ถ้าเรามองก็มันก็เป็นการปิดกัน้นก็เรียกว่าปิดอาจจะเรียกขัดขวางก็ได้นะ ขวางหรือว่าอาจจะมองว่าทางประเทศจีนเองก็ไม่ได้สนใจว่าศาสนาจะสําคัญยังไงทุกวันนี้ประเทศทิเบตก็ยังเขาเรียกว่าถ้าเราดูในทางทางกายภาพเนี่ยประเทศทิเบตก็กลายเป็นประเทศที่เหมือนกับประเทศทุนนิยมประเทศนึงเนาะอย่างเมืองหลวงของเขาก็ไม่ต่างกันกับกรุงเทพ มีสินค้าขายเยอะแยะไปหมดเลยมีการค้าสะพัดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของที่เรามองเห็นก็คือมันก็มีภาพอันหนึ่งก็ภาพชีวิตเนอะของผู้คนที่ยังคงเหมือนกับมั่นใจในศาสนาเนอะอย่างหน้าวัดที่เป็นวัดเขาเรียกว่าวัดแรกเนอะวัดแรกเป็นวัดพุทธในในทิเบตเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ากราบ อสดางขปดิษณ์เนาะก็คือแบบว่าศีรษะจดพื้นอกจดพื้นคางจดพื้นไหลทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างเข่าเท้านะฮะตรงนี้เนาะตัวนี้เขาเขาเขกราบกันกราบกันแบบทั้งเรียกว่าดุเดือดเนาะตั้งแต่เช้านะจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยแบบว่าเหมือนกับมากราบมามากราบไหว้บูชา จะมาปฏิบัติผ่านการกราบหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงอย่างยิ่งอย่างตามถนนหนทางเนี่ยทางเดินเนี่ยเขาเรียกว่ารอบอย่างรอบรอบอพระราชวังโพธราที่เป็นพระราชวังขององค์ดาลัยลามะเนี่ยก็จะมีขาก็จะกราบกันนะฮะกราบกันเดินกราบกันอย่างเรียกว่าไม่ได้สนใจว่า ใครจะเดินอะไรยังไงส่วนคนเดินเมื่อเห็นคนกราบก็หลีกให้กันเนาะอย่างภาพภาพหนึ่งที่เห็นแล้วก็ประทับใจก็คือตอนเย็นเนี่ยก็มีเหมือนกับคนอายุประมาณสักสากว่าเนาะแต่งชุดอ่าก็เรียกว่าแต่งชุดทํางานทันสมัยเนาะมามาถึงหน้าวัดปุ๊บก็นะก็แบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็มีเบาะชิ้นหนึ่งที่ยาวประมาณสัก เม้านสิเซนอย่างเงี้ยเนาะวางปูลงไปแล้วก็ก็ลงมือกราบกันเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็มีคุณผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นแต่งเหมือนกับแต่งชุดทำงานใส่เกลงเกงผูกไทยอย่างเงี้ยเนาะมาถึงก็เหมือนกันทำเหมือนกันเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวพร้อมนะแล้วก็กราบกันก็เราก็ดูว่าเออนี่นี่เป็นสิ่งที่คือชีวิตนะชีวิตของพวกเขาเองถ้าเรามองดูเนี่ย ชีวิตที่เหมือนกับผูกพันอยู่กับศาสนาเนี่ย <_ an> ก็เป็นสิ่งที่เขาก็เหมือนกับวันนี้เลือกทำงานเนาะทำงานประจำแต่ว่าพอเสร็จภารกิจทำงานประจำ <_ an> เขาก็มาทำอย่างนี้กันแต่ถ้าหากว่าเรานึกถึงชาวบ้านจริงๆเนี่ยชาวบ้านก็เหมือนกับเขาก็มีงานประจำของเขาก็คืองานดูแลบ้านช่องอย่างเงี้ยเนาะพอเสร็จงานดูแลบ้านช่องเขาก็จะมาเขาเรียกว่าก็มาทาการเขาเรียกว่า มาปฏิบัติทำผ่านผ่านอะไรนะก็เรียกว่าการกราบอสดางประดิษฐ์ตรงนี้คือเขาก็เชื่อเนาะเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยกราบแบบว่าถึงกี่แสนกี่ล้านครั้งอะไรเงี้ยก็จำไม่ได้นะฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเขาก็จะมีโอกาสบรรลุธรรมกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองว่าอืมนี่ถึงแม้ว่าเมืองเนาะจะกลายเป็นเมืองทุนนิยมไป แต่ว่าชีวิตใจิตใจผู้คนนะที่เป็นคนที่เบตอยู่ก็ยังยังคงยึดมั่นตรงนี้อยู่เราเข้าไปในวัดในวัดวาอารามเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าก็เป็นของพวกเราเข้าไปวัดเราจะเห็นแต่พวกพุทธ ร, รูปนะแต่ที่ในที่เบสเนี่ยเขาก็จะมีรูปรูปเคารพต้องเรียกว่ารูปเคารพหลายหลา ย, หลายอันอันหนึ่งก็คือ พระเจ้าแผ่นดินเนาะพระเจ้าแผ่นดินเมื่อประมาณสักพันสี่รปีก่อนเนี่ยที่เอาศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาในประเทศที่เบตเขาก็จะมีรูปเคารพของเขาอยู่ชัดเจนเนาะอย่างเงี้ยเ น, นะาะก็จะมีท่านมิลาเลปะเนาะท่านมิลาเลปะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆว่าประมาณพันกว่าปีก่อนเหมือนกันก็เป็นโยมอย่างเงี้ยเป็นโยมที่ ปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมแล้วก็คำสอนของท่านมิาเลปะก็จะเป็นคำสอนที่ชาวทิเบตก็ยังเคารพนับถือเนาะอย่างยิ่งอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็มีรูปเคารพก็เป็นโยมเป็นพระมหากรัตรก็ดีจะเป็นผู้คนที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งรู้ธรรเห็นธรรมกันอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เคารพกัน หรืจะเป็นองค์ไดลัยละมะที่1 2ึ่งสาสห้าจะเป็นนิกายโน้นนิกายนี้อะไรยังไงก็ดีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะมีลูกเคารพของเขาอย่างนี้อย่านัน้นนอกเหนือจากนั้นก็ยังจะมีก็เรียกว่าพุทธเจ้าในอดีตเนาะพุทธเจ้าในอดีตพุทธเจ้าที่เป็นอา่าพุทธเจ้าสัคยมุนีปัจจุบันเขาเรียกกันพุทธเจ้าสาคยมุนีนะก็คือพระเจ้าปัจจุบันแล้วก็ยังมี ภาษีอรารยะเมตรยที่จะเป็นผู้ได้จ้าในอนาคตอย่างเงี้ยก็มีรูปเคารพนอกเหือจากนั้นก็ยังมีพระโพธิสัตว์เนาะอีกมากมายคือตรงเนี้ยเราก็มองนะว่าโอ้ในวัดวัดหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเขาก็จะบรรจุรูปเคารพเนี่ยแน่นแน่แนพื้นที่เลยเนาะก็จะเหลือพื้นที่เดินอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะนก็จะมีหอไตรที่สําหรับที่จะสวดมนต์กันอย่างพวกเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็จะเหมือนกับเรียกว่า มีรูปเคารพที่เขาได้ระลึกถึงอาคนนี้ทำความดีอย่างนี้คนนี้ทาความดีอย่างนี้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการทำคุณงามความดีในเชิงพุทธศาสนาทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่านี่นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาเองเขาก็เหมือนกับอย่างที่หลวงพ่อพูดเนาะเมื่อเช้าในี้คล้ายๆว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะคล้ายๆอย่างเนี้ยเนาะนั้นนั่นคือไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราเนาะ เติบโตมากินข้าวกินปลาไปวันๆยังมีสตังค์ซื้อข้าซื้อของอะไรกันเลี้ยงตัวเองก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องไปเนาะเกี่ยวเนื่องไปหลายพันปีมีคนนั้นคนนี้เนี่ยที่จะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตเราณนะวันนี้เนี่ยได้เดินถูกทิศถูกทางกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามองเนี่ยก็มองว่านี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังเนาะปลูกฝังก็เรียกว่าคนในประเทศเขาเนี่ยมา อย่างก็เรียกว่าอย่างลึกซึง้งซึ่งถ้าหากว่ามองก็มองว่านี่ตรงนี้ถึงแม้ว่าณนะวันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะเข้ามาครอบครองแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาแต่ว่าชาวบ้านก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้อยู่แต่ว่าทำนองเดียวกันความเปลี่ยนแปลงเนาะก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าที่เบตก็ถู ก, กจีนปกครองมา เกือบหกปีประมาณประมาณนั้นเนาะประมาณเกือบปีนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็ทางเรื่องของการค้าในเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องแรงงารนานาก็จะเป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนั้นชัดเจนเด็กที่อายุ30ลงไปก็เรียกว่าชุดประจำชาติไม่เห็นแล้วเนาะงเรียกว่ามีกางกิงยีนมี อะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้ที่ทันสมัยทุกอย่างนะฮะที่ก็โลกทันสมัยแค่ไหนที่ตรงนั้นก็ทันสมัยเท่าๆกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็มองว่านี่การสืบทอดเนาะการสืบทอดพุทธศาสนาการส่งต่อพุทธศาสนาในทิเบตเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดเนื่องจากว่าทุกวันนี้เหมือนกับอิสระของคนทิเบตเนี่ย ก็จะเป็นอิสระที่น้อยกว่าคนจีนทั่วๆไปเนื่องจากคล้ายๆว่าเหมือนกับความสงบเนาะยังยังคงไม่มีแต่ที่สำคัญก็คือความสงบในใจของคนที่ที่เรียกว่าคนที่เบตรุ่นใหม่เนี่ยก็ถือว่ายังน้อยมากนะยังเราไปเราไปที่ที่เบตเนี่ยเขาก็มีกฎหมายอันหนึ่งก็คือ เราต้องมีก็เรียกว่าไกด์นะไกด์นำหนึ่งคนแม้เราเข้าไปคนเดียวเราก็ต้องมีไกด์นำคนต่างประเทศนะที่ไม่ใช่คนจีนก็เห็นอยู่นะฝรั่งเข้าไปก็มีไกด์หนึ่งคนประจาตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ถามนะถามไกด์บอกว่าเอ๊ะอย่างตั้งแต่เขาตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเขาประทับใจอะไรในประเทศเขาบ้างอะไรเงี้ยก็ คำถามนี้ที่เราถามไปแล้วก็หวังจะได้ยินคำตอบที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของแรงตาดนานาจะปรากฏว่าเขาก็กลับกลายเป็นพูดถึงเรื่องของการลุกลานของประเทศจีนแล้วก็อาจจะเรื่องของการจราจนครั้งใหญ่เนาะในปีสี่ห้าปีที่แล้วที่ผ่านมาตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความวาดระแวงกันเรา จะเข้าไปซื้อของเนี่ยนะเขาก็จะแนะนำร้านที่เป็นร้านทิเบตไม่ใช่เป็นร้านคนจีนถ้าเข้าไปในร้านคนจีนเนี่ยเขาก็จะเช็ครายละเอียดเนาะให้ว่าคนจีนเอาเปรียบหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเหล่า น, นี้คือความไม่ไว้วางใจกันในคนทิเบตที่เขามีต่อก็เรียกว่ามีต่อคนจีนเนี่ยเ็าเรียกว่ามีสูงมากๆซึ่งถ้าหากว่าเรามองแบบนี้เนาะ ในใจของเขาเนี่ยจะอึดอัดขัดข้อมากๆเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยถ้ามองนะถ้าถ้าหากว่าให้หลวงพ่อมองคนคนที่เบสหลวงพ่อก็มองถึงเหมือนกับคล้ายๆกับตอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปครอบครองดินแดนอเมริกาคนที่เบสก็จะคล้ายๆกับคนอินเดียนแดงอะที่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องถูกเบียดตกขอบไป ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอะไรอย่างเง้นนะเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราก็จะเห็นก็เรียกว่าการความเจริญทางวัตถุเนี่ยแล้วก็ผู้คนคนจีนที่หลังไหลเข้าไปค้าขายในประเทศทิเบตเนี่ยก็มากมายรวมทั้งรัฐบาลจีนเองก็ได้เหมือนกับคล้ายๆว่าส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นปีหนึ่งปีหนึ่ ง, งอาจจะมีคนก็ไปท่องเที่ยวในทิเบตเนี่ยเป็น10 บ, บ, บล้านคนเยอะแยะไปหมดเลย นั่นนั่นคือสิบสิบล้านคนโอกาสทางการค้าเนะึ่ยก็เยอะแยะไปหมดเนะเด็กรุ่นใหม่ก็เหมือนกันเห็นสตังเป็นเหมือนกับเ้าเรียกว่าเป็นพระเจ้านะอย่างเนี้ยฮะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเห็นกันเป็นแบบนั้นเราก็มองเห็นภาพเนาะมองเห็นภาพการแต่งเนื้อแต่งตัวการฟังเพลงการอะไรต่างๆนานาเรื่องเราก็มองเห็นว่าเป็นแบบนั้นละอย่างเนี้ยเด็กก็ไม่ค่อยมีลากเท่าไหร่อย่างเนี้ยเอตรงเนี้ย เราก็มองว่านี่นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าประเทศที่เป็นประเทศพุทธเนาะกับกลายไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าคนเนี่ยจับแก่นพุทธศาสนากันไม่ชัดเจนเมื่อจับแก่นพุทธศาสนาไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะเหลือแต่ความเป็นเปลือกเหลือแต่ความเป็นพิธีกรรมพระที่อยู่ตามวัดก็ตอนนี้ก็เหมือนกับจํานวนก็ไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ต้องกลายเป็นปคล้ายๆว่า เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าวัดเนี่ยเข้าไปในแต่ละวัดแต่ละวัดนี่ต้องเรียกว่าเหมือนกับจะต้องกำหนดเวลากันไม่เลยนะว่าเข้าประตูตอนนี้ออกประตูเมื่อไรเพราะเนื่องจากว่าคนเนี่ยจะเยอะมากๆนั่นนั่นคือเหมือนกับไอ้การที่คนหลามไหลเนี่ยคนก็จะเดินจาก จ, sigh, จ, จุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามที่เขากาหนดเอาไว้แล้วก็ท้ายที่สุดก็ออกประตูกลับออกมา ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองเห็นว่าท้าวันทั้งวันเป็นอย่างนี้และพระที่ประจำอยู่ตามอารามก็ต้องคอยเหมือนกับคอยบริการนะักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยก็เรียกว่ากิจของสงฆ์จริงๆก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนกันนึกไม่ออกเนาะ่างนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ที่เรามองว่านี่นี่คือสิ่งที่บางทีแล้วพุทธศาสนาในบ้านเราเองก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าหลวงพ่อําเขียนก็เคยบอกนะ โชคดีนะเมื่อพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยเนาะธรรมะที่เป็นภาษาไทยเนาะที่ผ่านครูบาอาจารย์ที่ชัดเจนเนี่ยก็ยังเป็นภาษาที่เราฟังกันได้เนะาะนั้นประเทศไทยก็ยังมีสิ่งแวดล้อมอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคำเขียนเองเนี่ยก็บอกนะว่าคนไทยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่บรรลุธรรมเนี่ยง่ายที่สุดในโลกแล้วลนะ่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ยังยัง มองเห็นคุณูประการเนาะมองเห็นสิ่งที่ณวันนี้พวกเราเองก็ยังอยู่ในอารามเนาะที่ยังมีธรรมะที่เข้มแข็งเนาะยังมีการปฏิบัติธรรมมีหมู่มีพวกเนาะมีผู้ที่จะนำปฏิบัติธรรมมีครูบาอาจารย์ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าบรรยากาศที่เอร่ำรวยออย่างนี้เนี่ยก็ไม่เห็นที่อื่นนะฮะก็เห็นในประเทศไทยเราตรงเนี้ยก็เมืองพุท ที่ที่เรากันอยู่กันตรงนี้ที่นี่ก็ยังเป็นเมืองพุทธจริงๆในขณะที่บางทีเราอาจจะไปมองกรุงเทพบ้างหรือว่าเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองหลวงบ้างเนียบอกว่าเอ๊ะมันก็มีผู้คนที่เหมือนกับเอ๊ะประเทศนี้เป็นประเทศพุทธแต่คนเหมือนไม่เป็นพุทธกันตรงนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่ยังอยากจะยืนยันก็คือในทางพุทธเราเนียสิ่งที่เราสอน หลักๆ ก, กันก็คือการที่เรานะ้องเขาเรียกว่าพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตใจของตัวเรานี่ละการพัฒนาจิตใจของตัวเราตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทางพุทธเนี่ยบอกว่าคือเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากความเป็นคนของเราเนี่ยนะกลายเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงขึ้นตรงเนี้ยเป็นสําคัญว่าเราเองเราเกิดมาในเมืองพุทธเนี่ยเราได้ให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้พัฒนาจิตใจตัวเราเองหรือ ย, ยัง ซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ทำเนาะเราเองเราก็อาจจะเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีสัญชาตญาณของสัตว์โลกเนาะมีความหิวมีความอิ่มมีความอยากนู่นอยากนี่นี่ต่างๆเหล่านี้ไหลไปตามสัญชาตญาณตรงนั้นแต่ว่าการที่เราจะได้ยกระดับจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราขึ้นมาเนาะจากเขาเรียกว่า การเป็นธาตุของความอยากเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นหัวใจของชาวพุทธเลยเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะยกจิตใจของเราขึ้นมาได้เนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าทุกที่อยู่ในใจของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นทุกข์ที่เขาเรียกว่ามันก็จะพ้นไปความพ้นทุกตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้สอนตรงนี้เอาไว้วิธีการที่ทำยังไงเราถึงจะพาตัวเองเนี่ย ให้พ้นจากทุกคาว่าพ้นจากทุกเนี่ยหมายถึงว่าทุกวันนี้เนาะเรียกหลวงพ่อผมเขียนก็จะยกตัวอย่างนะอาทิเช่นเนาะยุงกับสักตัวหนึ่งเราก็ทุกข์แล้วแมงวันตอมสักตัวหนึ่งเราก็ทุกข์แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ทุกข์ง่ายแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยไม่เคยมองตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ทันได้รู้สึกเนาะ แต่ว่าทุกครั้งเนอะของการปัดแมงวันก็ดีทุกครั้งของการตกยุงก็ดีตรงเนี้ยเนอะมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันมีการกระทําทางกายแล้วก็มันมีภาระทางใจปนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราสังเกตกันเนี่ยชีวิตประจำวันของเราเนอะพวกเราอาจจะเป็นคนทํางานเนอะคนทํางานก็ดีคนเรียนหนังสือก็ดีคนอะไรยังไงก็ดีอะไรเงี้ยเนอะ เราก็จะมีสิ่งต่างๆนานาที่เราทําแต่เราทํางานต่างๆที่เราทํากันอยู่เนี่ยเราเคยวางใจเนาะแบบที่เราไม่ได้ไปเพิ่มภาระทางใจกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนาะบางทีงานดีๆเนะเราก็ยังหุนหิดเอากับงานเราเนาะหาทางแบบว่าหาข้อเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆที่จะไปเขาเรียกว่าติฉินนินทาว่ามันไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้อะไรต่าง ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นนิสัยอันนึงเนานะที่ติดตัวพวกเรากันอยู่นั่นคือมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยปะปนกันระหว่างการงานที่เราต้องทำกับภาระทางใจที่เราเพิ่มเข้าไปในชีวิตของเราตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราทากันจนเป็นอัตโนมัติเนาะบางทีเพียงแค่การกวาดบ้านเพียงแค่การล้างจาน เพียงแค่การทําการบ้านหรือ เ, เพียงแค่การดูทีวีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะเพิ่มความไม่พอใจเนี่ยเข้าไปตรงนั้นเนี่ยอยู่เสมอๆเอนาะอย่างนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราลืมกันเนาะลืมไปเราไม่ทันได้สังเกตว่าอยู่ดีๆเราก็เพิ่มทุกข์ให้กับชีวิตอย่างนั้นเองเนาะเพิ่มทุกข์ให้กับชีวิตโดยที่เราเองเราก็เขาเรียกว่าไม่ทันได้สังเกต แต่ตรงนี้แหะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะช่วยเราเนื่องจากว่าการปฏิบัติธรรมสําคัญก็คือการมองกลับมาเนาะที่ตัวเราการที่เราจะเอาตาสองตาที่เรามองเห็นมองเรื่องรอบรอบตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามูมากะไก่อะไรเขาก็ทํากันเหมือนกันเนาะอย่างนั้นแต่ว่าการที่เราจะเอาสิ่งที่เราเรียกว่าสติเนาะหรือความรู้สึกตัวเนาะของที่หลวงพ่อเทียนบอกไว้ หรือจะเป็นตาพิเศษที่หลพ่อคำเขียนเนี่ยบอกไว้ก็ตามตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเดียวกันเนาะการที่เราจะอนสติเนี่ยที่จะมาคอยเนาะก็เรียกว่าพิจารณาเข้ามาถึงในจิตในใจของเราว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่เ็าเรียกว่าเป็นปกติบ้างไหมเนาะพื้นที่ที่เป็นปกติก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ทุกเนาะ เป็นพื้นที่ที่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่เป็นพื้นที่ที่เป็นปกติธรรมดาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราเองเนี้ยเราได้เคยเห็นพื้นที่ตรงนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตโลกโลกเราปกติเนาะเวลาเราทํางานใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันทุกข์เนาะทำงานไปสีห้าวันเดือนหนึ่งอะไรมีความรู้สึกโอ้ทนทุกข์ทำงานไปสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือไปหาความสุขอย่างเงี้ย นั่นนัคือพอเราไปหาความสุขแล้วก็คิดว่าทุกข์มันหายไปแล้วเนาะอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยมาเมื่อเช้าเนาะพระจันทร์สุรินทร์ก็พาสวดเนาะบทที่เรียกว่าธรรมจักกปะปปัตตานุสูตรตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องเนี้ยไอ้การที่เราเวียงเนาะเวียงไปทางทุกขเนาะเวียงไปทางสุขตรงเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อาจจะลืมกันไปนะว่าในขณะที่ลุกตุ้มนะด้านหนึ่งเวียงไปทางทุกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเวียงไปทางสุขอย่างเนี้ย ตรงเนี้ยมันจะผ่านจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นกลางๆที่ไม่ทุกข์น่ะตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นได้ยังไงเนาะก็ต้องเห็นด้วยการที่เราเนี่ยหัดเนาะเจริญสติกันหัดจเจริญสติในการที่เราหัดเนี่ยหัดดูด้วยตาวิเศษมองกลับเข้ามาข้างในหัดให้เป็นนิสัยเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่ที่ไม่ทุกข์เนี่ยมีนะอย่างนั้นนั่นนั่นคือชีวิตเราที่เคยรู้สึกว่ามันมีแค่ทุกข์กับสุขเนาะส อ, อย่างเนี่ย กลับกลายกันว่ามันมีพื้นที่ไม่ทุกขอยู่ด้วยแล้วก็พื้นที่ไม่ทุกตรงนี้แหละที่เป็นพื้นที่สําคัญว่าเราเนี่ยได้เห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเนี้ยตรงนั้นตรงเนี้ย น, นี่ก็คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติทำกันเราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เบื้องต้ น, นของกรรมฐานของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็คือการที่เราหัดเนาะก็เรียกว่าหักเราเนี่ยลองดูซิว่าอืม ในขณะที่มีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราเนี่ยเอาใจเนี่ยมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือสิ่งที่กรรมฐานเนี่ยก็จะเป็นการที่พูดถึงเรื่องของกายเรื่องของใจแล้วก็เรื่องสติที่คอยดูทันทีสามอันเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นกรรมฐานเริ่มต้นทันทีแล้วก็ พุ่งเข้าไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องมือที่จะทำให้เราไม่ทุกเนี่ยในสามอย่างเนี้ยทันทีเลยนั่นนัคือตรงเนี้ยว่าการที่เรายกมือไปยกมือมาหรือว่าเราเดินจงกรมกันก็ดีตรงเนี้ยขอให้เรารู้ว่านี่คือการที่เรากำลังหัดเนาะหัดนิสัยที่จะใช้ตาบิเศษหรือจะใช้สติหรือจะใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยกลับเข้ามาสังเกตความเป็นไป ในกายนี้ในใจนี้ซึ่งตรงนี้แหละเขาเรียกว่าความเป็นไปในกายนี้ในใจนี้เนี่ยเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ยมันเป็นธรรมะเนาะมันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนาะหรือว่าทำนองเดียวกันเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ได้บอกได้สอนเอาไว้เป็นธรรมะเหมือนกันก็คือคําสอนเนี่ยที่ให้เราเนี่ยได้ลองดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นไตรลักษณ์เนาะ มันเป็นความไม่เที่ยงมันเป็นความเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นตัวของเราเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการเห็นด้วยความรู้สึกผ่านการเห็นด้วยสติผ่านการเห็นด้วยตาวิเศษตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆเห็นในทันทีที่เราเริ่มนะก็เรียกว่าเริ่มกรรมฐานแล้วก็ตรงนี้ความรู้ความเห็นตรงนี้มันจะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะ ธรรมะที่เราเห็นเห็นแล้วบางทีเราก็เผลอไปพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเผลอไปตัดสินด้วยความคิดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกถ้าตราบใดเรายังมีเจตนาที่จะเขาเรียกว่าคอยดูคอยสังเกตอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถึงวันหนึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ เราเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ ย, ยกมือไปเอามือมาทําไปทํามาก็เมื่อยเนาะทำไปทํามาก็เบื่อยอย่างเนี้ยเนาะไอ้ความเมื่อยความเบื่อที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยบางทีตั้งแต่แรกเราอาจจะปฏิเสธไม่อยากเมื่อยไม่อยากเบื่อแต่ท้ายที่สุดสิ่งตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนาะอย่างที่เราเองเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับ ขัดขืน อ, อะไรได้เลยหรือว่าสิ่งนี้เองเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามันเป็นความไม่เที่ยงเนาะจะแม้จากความไม่เบื่อมันก็ต้องเป็นความเบื่อเนาะจากความเบื่อมันก็ทําให้เราต้องแบบเขาเรียกว่าทนทุกข์อยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ก็ต้องขยับตัวขยุกขยิกไปไปมามาอะไรต่างๆนานาตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ว่าความทุกข์เนาะก็เรียกว่าความทุกข์ของความทนไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า นี่คือการที่พวกเราเนี่ยอยู่กันตรงนี้เราจะอยู่กัน40สวันก็ดีจะอยู่กันเจดวันก็ดีจะอยู่กันเป็นเดือนเป็นปีก็ดีอะไรเงี้ยตรงนี้นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความจริงเป็นธรรมะเนาะที่เราเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรายังมีธรรมะที่พระเจ้าเนี่ยได้ช่วยแนะนำเราเรายังมีธรรมะที่มาจากหลงพ่อคมเขียนมาจาก หลวงพ่อเทียนมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่คอยชี้แนะให้พวกเราเนี่ยได้ดูเนาะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราตรงนี้นั้นนัองคือตรงเนี้ยเนาะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับได้ระลึกถึงว่าทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังมีพื้นที่ที่หลวงพ่อคําเขียนเองเนี่ยก็ยังยืนยันนะว่าถ้าที่ไหนไม่มีเนี่ยที่นี่เนาะก็ยังขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนแล้วก็ถ้าหากว่า หลวงพ่อคำเกศก็จะพูดอยู่เสมอๆนะเมา่นะวันนี้เราเจอกันที่นี่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาที่นี่เป็นบ้านที่สองของเราถ้าหากว่าเรากลับไปบ้านเราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบ้านนี้ได้กลับมาที่นี่อีกแต่ว่าที่สำคัญก็คือที่นี่จะเป็นที่ที่ก็เรียกว่าชุมนุมกันนะของคนที่หวังว่าเราเนี่ยจะพาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ นั่นก็คือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญเนาะทางพิเบตเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าหินญาณหรือว่าทางเรานี่แหละเนาะเนี่ยหินญาณของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามุง่งเขาเรียกว่ามุ่งบรรลุธรรมในชาตินี้มหายานเนี่ยก็จะมุง่งเขาเรียกว่าเมตตาต่อสัมสัตว์ทั้งหลายเนาะในเชิงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา นั่นนั่นคือตรงนี้เนาะทางมหายานเราก็อาจจะเห็นทัศนคติในเชิงของพระโพธิสัตว์กันแล้วเขาเองเขาก็บอกบอกว่าในทางวัชรยานของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นทั้งสองส่วนก็คือรวบรวมเอาคล้ายว่าความเด่นเนาะของอหินยานในเชิงการบรรลุธรรมในชาตินี้เนาะแล้วก็รวมทั้งความเมตตากรุณาต่อสรรพสิ่งต่างๆรวมกันไว้นั่นนั่นคือตรงนี้เองเนี่ยเนาะเราเอง เป็นพุทธเนาะเป็นพุทธเหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็คือวิธีการพ้นทุกเนาะและวิธีการพ้นทุกขตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็สอนกับพวกเราที่เป็นคนคนกันนี่แหละชาตินี้เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเนาะเราก็ใช้โอกาสเพราะเนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสชาติหน้าเราจะได้เป็นคนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดังนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยการที่เราจะได้พาตัวเองให้พ้นทุกในชาตินี้ ครูบาอาจารย์ก็มีเนาะสถานที่ก็มีเหลือแต่เราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์กายใจแล้วก็สติของเราเนี่ยประมวลรวมให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยแบบว่าพ้นทุกข์กันเนี่ยเราจะได้ทํากันหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะที่อยู่ตรงนี้ที่แบบว่าได้ผ่านเข้ามาในก็เรียกว่าสุขโตตรงนี้ ได้ผ่านก็เรียกว่าการจำจี้จำชัยของครูบาอาจารย์ต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ปรารถนาดีของพวกเราเนาะขอให้ความปรารถนาในการพ้นทุกข์ในชาตินี้ของพวกเราเนี่ยก็ให้เป็นจริงเนาะกับทุกๆคนแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยก็ได้ใช้ความพยายามเนาะในความที่เรามีกายมีใจมีสติอย่างสมบูรณ์กันทุกคนเนี่ยพาตัวเราเองให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ด้วยกันทุกคน